เวลาไม่ได้คิดถึงการปฏิบัติก็จะเพลิน อ, อยู่กับโลกเพลิน อ, อยู่กับโลกลืมตัวเพลิน อ, อยู่กับโลกพอนึกถึงการปฏิบัติขึ้นมาบังคับเอาไว้ mm. เพ่งเอาไว้ mm. ฉันจะอยู่ตรงนี้ให้จิตมันอยู่ตรงนี้นานๆคําสอนไปถึงความพ้นทุกเนี่ยมันมักจะอยู่เหนือความคาดหวังของเราประสบการณ์ของเราคิดว่าทําอย่างนี้แลดีแต่คําสอนบอกอย่างนี้ว่าผิด นะเพ่งเอาไว้ใม่ผิดเราก็มันดีนะมันดีนะท่านบอกว่าอย่าประคองเอาไว้อย่าเพ่งเอาไว้อย่าบังคับเอาไว้อย่ากำหนดเอาไว้แล้วก็มันดีนะมันฝืนกับความรู้สึกของเราถ้ามันดีจริงเราคงพ้นทุกไปแล้วเพราะเราก็กําหนด บ, บังคับเพ่งมาตลอดระยะเวลาที่เราคิดว่าเราจะปฏิบัติแต่วิธีฝึกกับอยู่นอกเหนือความคาดหมายแค่รู้ทัน แค่รู้ทันว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเราเพลินๆอยู่เพลินๆอยู่นะนึกขึ้นนึกถึงได้ว่าเฮ้ยฉันยังไม่ได้ปฏิบัติพอนึกขึ้นว่าฉันจะต้องปฏิบัติเกิดอาการผิดปกติทันทีรู้สึกไหมมันผิดปกติขึ้นมาทันทีเลยเคยเดินสบายๆนะช้อปปิ้งเดินหลายๆชั่วโมงกัได้ใช่ไหมพอจะเดินจงกรมเนี่ยครึ่งชั่วโมงจะเกิดอัดแล้วใช่ไหมแสดงว่าการเดินของเราเนี่ยผิดปกติถ้าเดินปกติเดินหลายชั่วโมงก็รู้สึกสบายสบาย เราหายใจมาตั้งแต่เกิดนะ น, นะหายใจสบายสบายไม่รู้สึกอะไรพอมาทําอานาปานสติตามความประสุกของเรานะอึดอัดมากเลยดูลมหายใจสามจินาทีนี่อึดอัดไม่ไหวแล้วต้องลุกไปเดินเดินได้ครึ่งชั่วโมงก็ไม่ไหวแล้วนอนประมาณอย่างเงี้ยคือคิดจะทําเมื่อไหร่ก็อึดอัดไม่สบายใจเครียดเพราะทุกครั้งที่เราคิดจะทําเราไปเพ่งไปกําหนดไปบังคับเอาไว้อันนี้เอาใหม่ เอาใหม่ทำยังไงอยากจะทำสิ่งที่ดีท่านบอกว่าครูบาอาจารย์บอกอย่างนี้อาตมาบอกอย่างนี้พระ พ, พี่เลี้ยงก็บอกอย่างนี้ว่าสิ่งที่ถูกคือทาใจให้เป็นกลางทำจิตให้ถึงฐานทำยังไงวะพยายามทำให้ความเป็นกลางให้เกิดขึ้นทำความจิตให้มันถึงฐานให้เกิดขึ้นทำไม่ได้ที่บอกว่า มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยเพียงแต่บอกมาตรฐานเอาไว้และให้รู้ว่าไอ้ที่ผิดเป็นยังไงมีสติรู้กายรู้ใจตอนนี้เราไม่รู้อะไรเรารู้เรื่องราวตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้เรื่องข้างนอกแล้วเราฝึกที่เรียนรู้เรื่องข้างนอกมาตลอดเลยรู้หมดดาราคนไหนมีชู้กับใครเปลี่ยนคู่หรือยังถูกสามีตบสามีซ้อมหนีไปคนงานนอกรู้หมดเลย ใช่ไหม <laughs> <laughs> เขาถ่ายคลิปเอาถัางน้ําแข็งเอ า, าน้ำแข็งลาดหัวมาท้าถ้าเราเราก็รู้ด้วย ท, ทั้งทั้งที่ไม่ได้บอกไม่ได้โทรมาบอกเนะแค่อัปโหลดขึ้นไปเราก็ตามรู้เที่ยวไปรู้ข้างนอกก็หมดเลยไอ้ไม่รู้ใจตัวเองเลยบางคนไม่ไม่มีใครท้าทำไมไม่เขาาไม่ท้าเราสักทีปะเราไม่ใสเล็กพอหรือไง นบาขไขราดมาแล้วมังเนี่ยมีหม <c oughs> โดนเนาะ ม, มันมันรู้แต่ข้างนอกรู้ไปข้างนอก